ไม่ควรเป็นคนโรกโลกพระพุทธภาษิตยี่นางธรรมังนาเสเวยะประมาณนะนาณซั่งวะเซมิชาดิทิ่งนาเซเวยะนัสยาโลกวัฒโนแปลความว่าบุคคลไม่พึงเสพทำอันเลวไม่พึงอยู่ด้วยความประมาทไม่พึงเสพมิชาทิฐิและไม่พึงเป็นคนโรคโลกอธิบายความ เบื้องแรกขออธิบายตามแนวของพระอัตถกถาจารย์ก่อนอัตถกถาแห่งพระคถานี้อธิบายว่าข้อว่าธรรมอันเลวนั้นได้แก่กรรมคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐพัทธที่เรียกว่าเป็นธรรมอันเลวเพราะเป็นที่พอใจเสพของคนเลวและเป็นที่พอใจเสพของสัตว์ทั่วไปมีอูดและขัวเป็นต้นอีกประการหนึ่งกรรมคุณห้านั้นย่อมทาให้คนเสพ บังเกิดในที่อันเลวมีนรกเป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นธรรมเลวบุคคลไม่พึงเสพธรรมอันเลวนั้นข้อว่าไม่พึงอยู่ด้วยความประมาทนั้นคือไม่พึงอยู่โดยปรยาศจากสติข้อว่าไม่พึงเสพความผิดนั้นคือไม่พึงถือผิดบุคคลผู้ประกอบพร้อมด้วยการเสพธรรมอันเลวหนึ่งด้วยการอยู่อย่างประมาทหนึ่งมีความเห็นผิดหนึ่งชื่อว่าเป็นผู้รกโลค บุคคลไม่พึงเป็นผู้รกโลกเช่นนั้นฉบับภาษาอังกฤษของดรราทักกลนันแปลนศิยาโลกวัฒโนไม่ควรเป็นคนรกโลกว่า do not be a friend of the world แปลตรงโัวว่าไม่ควรเป็นเพื่อนของโลกและขยายความว่าไม่ควรมีใจเกี่ยวเกาะอยู่กับโลกไม่ควรอยู่ในโลกนานโดยมตินี้อธิบายว่า บุคคลไม่ควรจมอยู่ในโลกไม่ควรพอใจในภพและในการเวียนว่ายตายเกิดตามธรรมดาโลกของเรานี้รกอยู่ด้วยมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวยกตนข่มท่านมนุษย์ที่ศักว่าเกิดมาทำโลกให้เต็มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหาได้มีคุณธรรมอันสมควรแก่ภาวะแห่งผู้มีใจสูงไม่โลกเราจึงรกไปด้วยมนุษย์ที่มีคุณความดีน้อยมีความชั่วมากยุ่งเหยิงสางได้ยาก โลกเต็มไม่ได้ความทุกอย่างไรเห็นกันอยู่แล้วแต่เพราะอาวิชชาคือความเขลาโมหะความหลงผิดราคะความกำหนัดตัณหาความดิ้นรนและอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนและของตนจึงยังพอใจยอยู่ในโลกที่สกปรกทั้งภายในภายนอกเหมือนกองขยะเหมือนพิษไข่อันรื้อรังอีกในหนึ่งข้อว่านาสิยาโลกัตโน ไม่ควรเป็นคนโรคโลกนั้นท่านอธิบายว่าไม่ควรเพิ่มจํานวนพลโลกคือให้ตัดความเกิดนั่นเองกรรมคุณห้าความประมาทความหินผิดและความติดโลกทั้งสี่ประการนี้เป็นกิเลสแต่ละอย่างที่ทําความยุ่งอยู่ในโลกตั้งแต่บัพการมาจนบัดนี้ความสุขความทุกข์ทั้งมวลของมนุษย์อยู่ภายใต้หัวข้อทั้งสี่นี้คือถ้าลหลงไหลในกรรมคุณประมาทเห็นผิดและติดโลกก็ชื่อได้ว่า ความทุกข์จะต้องตามมามากหรือน้อยแล้วแต่กรณีถ้านายในกรรมคุณไม่ประมาทเห็นชอบไม่ติดโลกก็เชื่อได้ว่าความสุขจะตามมามากหรือน้อยแล้วแต่กรณีเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงที่บ้านของนางวิสาขาทรงปรารบภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งกับหลานของนางวิสาขามีเรื่องย่อ ด, ดังนี้เรื่องภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งพระเถระรูปหนึ่งพร้อมด้วยภิกษุหนุม่ม ไปเรือนนางวิสาขาแต่เช้าตรู่ที่เรือนนางวิสาขานั้นนางให้เตรียมข้าวต้มไว้สำหรับภิกษุห้าร้อยรูปเป็นประจำวันนั้นพระเถระฉันข้าวต้มแล้วให้ภิกษุหนุ่มนั่งอยู่ที่เรือนนางวิสาขาส่วนตนได้ไปเรือนหลังอื่นอีกหลานย่าของนางวิสาขาทำหน้าที่บรรุงภิกษุแทนย่านางกรองน้ำในต้มเพื่อถวายภิกษุเห็นเงาหน้าของตนในต้มจึงหัวเราะ พิษุนุ่มรูปนั้นมองดูนางแล้วก็หัวเราะเหมือนกันนางเห็นพิสุนุ่มนั้นหัวเราะจึงกล่าวว่าคนหัวขาดหัวเราะบาลีว่าชินดะซีโซเคยได้ยินหญิงทางภาคใต้ของไทยด่าชายว่าไอ้ตัดหัวคงจะคำเดียวกันที่มีความหมายเหมือนกันกระมังพิสุหนุ่มได้ยินดัางนั้นด่าตอบไปว่าเธอก็หัวขาดพ่อแม่ของเธอก็หัวขาดหลานของนางวิสาขา ร้องไห้ไปหาญาติที่โรงครัวใหญ่บอกเรื่องทั้งปวงให้ทราบวิสาขารีบมหาพิสุนุ่มนมัสการแล้วกล่าวว่าพระคุณเจ้าคำนั้นคือหัวขาดไม่หนักนักไม่ใช่หรือสำหรับพระคุณเจ้าผู้ปลงผมและหนุดแล้วผู้มีเล็บอันตัดแล้วน่งหมผ้าที่ตัดแล้วและถือกระเบื้องที่ตัดกลางคือบาดเที่ยวขออาหารจากเรือนของผู้อื่น ดูเหมือนวิสาขาจะด่าซ้ำเข้าไปอีกภิกษุหนุ่มตอบว่าจิงสี่อุบาสิกาท่านทราบดีทุกอย่างเรื่องที่อาตมาโกนผมโกนหนวดตัดเล็บถือบาตเที่ยวพิกษาแต่การที่หลานของท่านด่าอาตมาน่าควรอยู่หรือวิสาขาไม่สามารถให้ทั้งสองฝ่ายประนิประนอมกันได้ก็พอดีพระเถระที่ไปเรือนหลังอื่นกลับมาทราบความแล้วพูดว่าคุณเขาไม่ได้ด่าคุณหรอกติกปเป็นเสถะ ทุกคนเข้าข้างหญิงสาหมดแต่พิสุหนุ่มก็ามายอมเทียงเอาว่าแนละซี่ยอมหญิงของท่านนี่ท่านจะดุด่าว่ากล่าวเขาทำไมผมนี่สิผิดก็ข้อที่นางด่าผมว่าคนหัวขาดนะ่ะควรอยู่หรือพระศาสดาเสด็จมาทรงทราบเรื่องจากนางวิสาขาแล้วทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิผลของพิสุหนุ่มนั้นทรงดาริว่าเราควรคล้อยตามพิษุนุ่มจึงตรัสว่าวิสาขา เด็กของท่านดาสาวกของเราผู้เพียงแต่ปลงผมว่าเป็นคนหัวขาดควรอยู่หรือพิสุหนุ่มดีใจที่พระศัสดาเข้าข้างลุกขึ้นประคองอัญเชลีทันทีและกราบทูลว่าพระเจ้าข่าพระองค์ทรงทราบพระองค์ทรงเข้าพระทัยดีแต่อุปชาของข้าพระองค์และมหาอุบาสิกาหาทราบใหม่พระตถาคตเจ้าทรงทราบว่าพระองค์ได้ทรงอนุเคราะห์ให้ภิกษุนั้นมีใจแช่มชื่นขึ้นแล้ว จึงส่งโอวาทว่าการหัวเราะเพราะปรารบกรรมคุณเป็นสิ่งเลวอั น, นึ่งการเสพทำเลวและการอยู่ด้วยความประมาทเป็นสิ่งไม่ควรดังนี้แล้วตรัสว่าบุคคลไม่พึงเสพทำเลวไม่พึงอยู่ด้วยความประมาทไม่พึงเสพความเห็นผิดไม่ควรไปคนรกโรกมีนัยะดังพันานามาแล้วแต่ต้นจบเทศนาภิสุหนุ่มได้บรรลุโสดาปฏิผล